ใครจะส่งกันบ้านเชิญนักบสการหลวงพ่อครับก็ผมเคยส่งกันบ้านเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับหลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปแก้ดิสัยที่ว่าใจลอยแล้วชอบไปกดเอาไว้อย่างหนึง่งแล้วก็หลวงพ่อก็แนะนําว่าภาวนานี้ไม่เอาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตัวนะฮะหเดือนนี้ผมก็ดูสภาวะที่ว่าลอยแล้วก็กดอย่างเดียวมันก็บางทีก็ไปตะลุมบอลกับมันบางทีก็หลุดออกมาได้ จนเมื่อสารานุชินครั้งสุดท้ายผมก็ไปฟังหลวงพ่อตามปกติแต่ตอนที่ฟังเนี่ยบังเอิญจุดที่ผมนั่งมีรองเท้าญาิโยมเยอะมากเลยก็นั่งทนไปทนไปจนชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวละผมก็เลยออกจากสารามาหาพื้นญ้าแล้วก็นั่งพิงต้นไม้มองท้องฟ้าตอนนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้สํารวมอะไรใจสบายก็รู้ว่าสบายมองไปเห็นมดตกลนพื้นก็รู้สึกว่า ใจมันไหลไปหาหมดก็รู้ว่าใจมันไหลไปสักพักเผลอแป๊บเดียวมือก็ถือกิ่งไม้มาเขีย่ย่าเล่นพอใจมันอยากจะฟังหลวงพ่อมันก็แว บ, บไปฟังแป๊บหนึ่ง mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้สมรวสํารวมเหมือนเดิมรู้สึกว่าสบ า, สบายสบายอย่างนี้จะดีกว่าก็เลยไม่ทราบว่าจนถึงตอนนี้การปฏิบัติของผมนี่เป็นยังไงบ้างครับก็าตามรู้เรื่อยๆนะเราดูจิตเขาทางานไปเรื่อยๆครับเราเห็นเขาทางานไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดเห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลา เห็นไหมเราบังคับไม่ได้การภาวนาเนี่ยในเบื้องต้นเป้าหมายแรกของเราต้องละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราแล้เราตามดูไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรามันทำงานเองดูเพียงนั้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่คิดนะมีบางครั้งเวลาที่ผมเหมือนเหมือนจะนั่งภาวนาครับตอนนี้ก็เหมือนนั่งเล่นๆนะครับหลวงพ่อเหมือนพอใจมันลอยผมก็ปล่อยไปมันเหมือนก็ตามมันก็หลับไปเอง สักพักเหมือนกับมันก็เหมือนกับมันสับสวิตเปลี่ยนโหมดกลายเป็นตื่นขึ้นมาอันนั้นใช่สติแล้วพักครับหลวงพ่อใช่ของคุณตอนนี้ถึงจุดนี้นะไปช่วยมันเพิ่มนิดนึงก็ทําทในรูปแบบบ้างครับนะแต่เดิมที่หลวงพ่อไม่ให้ทําในรูปแบบเลยเพราะไม่ติดติดเพ่งติดบังคับครั บ, รบแต่ตอนนี้เราหัดดูสภาวะเปลี่ยนแล้วการทําในรูปแบบเนี่ยจะช่วยทําให้เราไม่เผลอนานก็ช่วยเหมือนบ้างไปเดินจงกรมบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ระวังอย่าไปเพ่งมันกันล้วกับนะแตเพิ่มตรงนี้แต่ในรูปแบบนะั้นึงชิดนหนึ่งก็ต้องทำาจันอามแล้วนี่นะแลเบอร์72บอเบอร์66นะเดีนะ๋ยวช่วยจำไว้นะเดี๋ยวหลวงพ่อกลลืมแนละ้ก็เมื่อวันก่อนไปเดินจงกรมแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยไม่รู้ว่ามันเหนื่อยกายเหนื่อยเหนื่อยใจแต่ว่าพอผมไปนั่งก็เดินไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่พอไป มันรู้สึกเบื่อมากแล้วพอไปนั่งพุโทโธพุโทโธหน่อยไม่ได้พุโทโธเอานิ่งหรือสงบอะไรแต่ว่าพุโทโธแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ปั๊บหนึ่งแล้วพอมันเหมือนกับว่ามพอมันได้พักสักหน่อยแล้วมันก็มาเดินต่อได้นานๆเป็นชั่วโมงอีกเหมือนเดิมก็ก็ก็คือคิดว่ามันก็คงน่าจะโอเคฮะใช่ได้แล้วนะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้แบบมันบางทีเห็นอัตราตัวเองแล้วมันน่าเกลียดอย่างหนึ่งคือผมไปฟังบรรยายธรรมของอาจารย์กำพลแล้วแบบท่านบรรยายให้กับคนที่แบบเหมือนกับเป็นพนักงานธรรมดามันเกิดมันมันเกิดอัดตราแบบไปเหยียดหยามคนอื่นเขาพวกนี้เขาจะฟังรู้เรื่องเหรอมันคือตอนคือก่อนมาภาวนาผมก็มีอย่างเนี้ครัแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันน่ารังเกยียจแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามัน ดีล้รู้ตัวอย่างนั้นนะกี่เกลียด น, น่าเกลียดแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องความฟุง้งฟานหลังเลสงใส่นะครับก็คิดว่าคงจะต้องตัดให้หมดเพราะ8 <S <S เดือนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะครับมันตัวนี้คือมันทำให้ผมตกจากคอใตไตกระไดขึ้นไปขั้นที่7 <S <S ขั้นที่8ดแล้วพอเราไปสงสัยว่าไอ้ขั้นนี้มันชื่อเรียกว่าอะไรมีลักษณะยังไงแล้วมันก็เลยกิ้งตัก ฟุง้งละฮะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นแล้วนะรู้สึกไปเลยเลยครับอ่ะแล้วก็แล้เวเไม่เจาะไปหรืออ๋อแค่จะถามหลวงพ่อว่าเดี๋ยวจะต้องไปไกลาจากท่านท่านจะได้หลักไว้แล้วแล้วก็ไปทําเอานะไม่ได้มีอะไรยากหรอกรู้ไการู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยอย่าไปแทรกแซงอย่าไปคิดนําไม่คิดมากก็สงสัยมากครับ คิดมากก็พวกทิฏฐิทิฏฐิมากก็เนิ่นช้าครับอยากมากก็เนิ่นช้าพวกตัณหามากเนิ่นช้าถือตัวว่ากูแน่กูหนึ่งหรือถือว่ากูแย่กูแย่นะก็เนิ่นช้านั้นตัณหามาน่าทิฏฐิ3ตัวนี้แหละทาให้เนิ่นช้าเรียกว่าปปันจะทำทำที่ทําให้เนิ่นช้าทําของง่ายให้ยากจริงๆแล้วการปฏิบัติเป็นเรื่องแสนง่าย เช่นคนเขาด่าแล้วโมโหขึ้นมาแค่รูว้ว่าโมโหไม่เห็นยากตรงไหนเลยแต่ถ้าคนเขาด่าแล้วต้องไม่ได้ยินที่เขาดา่าได้ยินแต่เขาชมอย่างเดียวยากใช่ไหมทำไม่ได้สั่งหูไม่ได้นี่ยหรือเขาด่าแล้วห้ามโกรธต้องคอยบังคับตัวเองยากนั้นวิปัสสนาจริงๆถูกเขาด่าแล้วมันโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตมันโกรธง่ายกว่ากันทั้งเยอะเราชอบทําของง่ายให้ยาก คิดมากคิดมากยากนานคี๊คินะไปเด<ร> <ไป S 2> ียวป็นนนะนะเดี๋ยวนะาจะสิเว็นายกที่หลังพวกที่ยังไม่ได้ยกอย่าเพิ่งยกนะเดี๋ยวหลวงพ่อจำไม่หมดะออช่วงที่ผ่านมาโยมเห็นว่าเวลาที่ไปเห็นสภาวะแล้วบางครั้งรู้สึกใจสงบมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันยอมรับมากขึ้นถูกแล้วนี่ใช้ได้แล้วนะรูไป ไปเบอร์ 28. ของคี้เหลือประคองนิดนึงนะเบอร์ย8่สบดว่าไปกรับนมัสการเจ้าค่ะอยากจะมาเรียนสับถามค่คะคือที่ผ่านมานีค่ะที่ท่านเคยให้ดูว่าโทสะมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันลดลงแล้วก็มันจะเห็นกิเลสตัวอื่นๆ น, นะคะอย่างความวิตกกังวลแต่ว่าช่วงนี้จะอิจฉาแล้วก็มันตันหาค่ะมันอยาก ตัวกังวลนะก็โทสะอิจฉาก็โทสะนะตระ ก, กูลเดิมอันนี้ก็คือมันมันมันเป็นโทสะที่บางมันละเอียดขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะอิจฉาตอนที่ยังไม่ได้ถามจริงๆตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ถามก็อิจฉามาแล้วก็มาอาทิตย์นี้อิจฉาอีกก็ดูดูไปแล้วมันจะเป็นเห็นเป็นเวทนาที่มันเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มดีกรีขึ้นจากเล็กๆมาเป็นเหมือนกับกึ่งๆจะเป็นโทสะ ขึ้นมาเนี้ยค่ะ ม, มันจะมันจะกลับขึ้นมาแรงแรงเหมือนเดิมได้หรือป่าได้ตราบใดที่เชื้อของมันยังไม่ได้ถูกทําลายนะต้องเป็นพลานาคานะหรือขุดรากถอนโคนโทสะได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันความกวนก歪เครื่องเครียดที่จะปฏิบัติเนี่ยมันลดลงเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริหรือเปล่าเป็นดีนะภาวนามต้องอย่างนั้นแหละพัฒนาขึ้นมาแล้ กลับนมัสการจรใคเบอร์72 72แล้วมาทางนี้ใครนาะ66ใช่ไหมแล้วก็นนเดี๋ยวที่เหลืออย่าเพิ่งยกนะที่เหลือยกเราจำไม่ไหวหรอกกลับนมัสการของพ่อคะ่ะ ออคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านเนี่ย่ฉันเป็นคนที่ชอบเดินภาวนาค่ะคราวที่แล้วมาเนี่ยมาบอกหลวงพ่อว่าเดินเนี่ยเห็นโครงกระดูกมันเดินไปเดินมาแล้วหลวงพ่อเมตตาบอกว่าขันมันแยกออกมาให้ดูตามที่เขาเป็นพอกลับไปดูต่อเนี่ยช่วงแรกมันก็ยังเป็นกระดูกของเราค่ะแต่พอดูไปดูมาน่ดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเป็นวัตถุ อยากหนึ่งที่มันเดินเองทำเองทุกอย่างพอเห็นอย่างนั้นแล้วน่มันได้ไปเห็นถึงความไม่มีของร่างกายค่ะ<อ>มันไม่มีอะไรเหลือเลยอะค่ะอพอมองไปตับไตไส้พุงอะไรมันก็ไม่มีดิ<อ>ฉันก็เดินต่อเดินภาวนาแต่อาศัยความรู้สึกที่ร่างกายมันเคลื่อนอะค่ะแล้วก็คอยดูกายดูใจตอนที่มันเปลีป่ยนแปล ง, อ, ปลงอยากจะกลับถามหลวงพ่อว่าเราเห็นอย่างนั้นเป็นการเห็นถูกไหมคะเห็นถูกสินะคือ การภาวนานะเราต้องทำงานเราเราจะทำงานอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายการภาวนาก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายที่หนึ่งนะให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะผู้ที่มาถึงเป้าอันนี้ก็เป็นพระโสดาบันไดของคุณตอนนี้เห็นแล้วกายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตยังเป็นตัวเราอยู่เราดูต่อไปอีกนะกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนะดูอย่างนี้ไปเรื่อย แล้วเราสามารถจะเอาอาการเคลื่อนไหวของกายเนะ่ยเป็นหลักได้ไหมคะได้เป็นวิหารธรรมที่ดีมากเลยเพราะว่ามาฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าทางตรงเนี่ยต้องดูจิตแต่ที่ฉันเห็นคนอื่นเขาส่งการบ้านน่ยเขามีโทสะโมหะโลภะดิฉันไม่ทราบเลยะคะ่ะของนั้นจะมีแต่ว่าโกรธชอบไม่ชอบยินดียินร้ายนั่นแหละโกรธก็โทสะแล้วคื อ, อแยกอย่าง<ร>าอืง่นไม่เป็ น, นเราไม่ต้องแยกอย่างเขาใช่ไหมคะ <laughs> มันต่างกันที่ชื่อเท่านั้นเอง <laughs> อย่างเขามีโทสะเรามีโมโหเขามีราคะเรามีชอบค่ <c oughs> ะมันก็ตัวเดียวกันแหละมันคนละยี่ห้อเท่านั้นคนละชื่อเท่านั้นเองเราดูตามยี่ห้อเรานะคะ เ, ออเราเรียกแบบของเราแหละค่ <c oughs> ะเรียกมันหยิกหงิกมันกระยุกกระยิก๊กเรียกอะไรก็ได้หลวงพ่อขะเวลาที่เราภาวนานเราเห็นเมื่อกายเรามันไม่มีเนี่ยแต่เราเอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ย แ, แต่เวลาที่เราไม่ได้ภาวนามันก็ยัง ยังถอดถอนไม่ได้ว่ามันเป็นตัวเราก็ยังยังรักยังชอบมันอยู่อะค่ะตัวเราไม่ได้อยู่ที่กายตัวเรามันอยู่ที่จิตและจิตนี่แหละเป็นคนหลงผิดไปสําคัญมั่นหมายว่ากายเป็นตัวเราจิตหนะ้าเป็นคนหลงผิดไปสําคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นตัวเรานะงั้นเราก็รู้กายอย่างนี้แหละเป็นฐานไว้นะ <c oughs> แล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคุณก็เห็นอยู่แล้วค่ะเรียกชื่อไม่เป็นก็ช่างมันไปเลยเห็นอยู่แล้วนะดูอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําได้ถูกต้องและ ขอพระคุณเจ้าค่ะเบอร์66ส6บหกหกสกธรรมศาสการศาสตร์ครับเมื่อวานอาทิตย์ผมมาส่งกันบ้านเรื่องร้องเพลงอะครับแล้วก็พอหลังจากกลับไปแล้วครับมันเกิดขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะครับก็คือว่าก่อนที่จะมีตัวภาคอะครับที่บอกว่าร้องเพลงให้รู้ว่าร้องเพลงในถึงที่คิดในหัวเนี่ยนะครับเรื่องร้องเพลงนี่ก็คือแทนเรื่องคิดหลายๆเรื่องนะครับเสร็จแล้ว จะมีขึ้นมาพอเราเริ่มร้องเพลงปุ๊บเนี่ยครับมันจะเหมือนแบบมีหยุดหนึ่งแบบปึ๊กหนึ่งอะครับพอเรารู้ว่าเราเหมือนปึ๊กแล้วเราก็รู้ว่าเราร้องเพลงเสร็จแล้วเสียงภาคก็ตามมา อ, อ, อ, อแล้วก็หยุดปึ๊กว่ารู้ว่าเสียงภาอ อ, อมันคือตรงที่หยุดนั่นแหละจิตมันรู้ทันขึ้นมานะสติมันเกิดความปรุงแต่งก็ขาดลงไปชั่วขณะแล้วมันไม่จำแนกว่ามันเป็นอะไรไม่มีอะไรนึกไม่ทันไม่ต้องจำแนก <น>แล้วกอ็อย่างเราเห็นจิตร้องเพลงพอเรารู้ทันว่าจิตร้องเพลงมันก็หยุดปั๊บลงไปว่างๆไปนิดหนึ่งแบล็งไปนิดนึ่เดี๋ยวก็เริ่มไปบังคับตัวเองต่ออะไรเงี้ยเราก็รู้รู้ทันว่าบังคับปั๊บมันก็หยุดอีกแว บ, บหนึ่งอ๋อครับแล้วก็มันล่าสุดคือพอร้องเพลงใช่ไหมครับก็เราก็จะเหมือนแบบเหมือนเราหันไปดูว่าเราร้องเพลงแต่ร้องเพลงมันจะไม่หยุดแล้วครับแต่เราเหมือนเราดูเขาหมายถึงว่า ฟังเขาลองไปดูเข้าไปนะแล้วมันมันไม่หยุดเหมือนเรื่องของมันมันอยู่ที่ใจเราละใจเราไม่เป็นกลางจริงใจเราไปรอรุ้นนะเมื่อไหร่จะหยุดสักทีก็คือมันแล้วแบบไหนแบบไหนก็ใช้ได้รู้ไปทุกอย่างสังเกตไหมเขาร้องเพลงเขาก็ร้องของเขาเองเขาหยุดเขาก็หยุดได้เองแล้สังเกตไหมเราทําอะไรไม่ได้สังเกตไหมตัวที่ร้องเพลงนะมันก็ร้องของมันเองมันไม่ใช่เราหรอก จริงๆ <okay. S 2> ไหมตัวที่ไปรู้มันก็รู้ของมันเองไม่ใช่เรารู้ใช่ครับเนี่ยดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราใช่ครับก็แล้วมีอีกอันครับกับเรียนถา ม, มคือความเข้าใจเล็กๆของผมนะครับที่เพิ่งเริ่มมาศึกษาธรรมะทุกก็คือตัวขันห้าใช่ไหมครับใช่สมุทัยเป็นเรื่องของการเกิดในการเกิดในสังสารวัฏสมุทัยคือตันหาอ า, อาศัยตัหาก็สร้างภพ การเกิดในสังสารวัตรเรียกว่าพบครับแล้วพอนิโรธก็คือการไม่กลับมาเกิดในสังสารวัตนิโรธก็คือความปราศจากตัณหาปราศจากพบมันก็จะไม่กลับมาเกิดปราศจากขันแล้วก็มรรคครับฮะมรรคครับคืออย่างนี้คุณจะมาเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ไห ม, ไ ม, ไมครับคือผมแค่ความก็ใจว่าคือเมื่อไหรเอางี้ทุทธมูรตไทยนิโรธมรรคเนี่ยเวลาเกิดนะ่ะเกิดในขณะจิตเดียวกัน ในขณะจิต ใ, จดใดที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะจิตนั้นจะละสมุทยัยในขณะจิตใดที่รู้ทุกข์ละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งนิพพานแจ้งนิโรธในขณะจิตที่แจ้งนิโรธนั่นะแหละเรียกว่ามรรคเป็นขณะจิตที่อริยมรรคเกิดขึ้นนัาน <unexpected. S 1> ในขณะแห่งอริยมรรคเนี่ยนะเป็นสภาวะซึ่งรู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธขึ้นมาพร้อมๆกันเลย ไม่ไม่ได้แยกเป็นส่วนๆนะวันนี้รู้ทุกพรุ่งนี้ละสมุทัยมาลือนแจ้งนี้โลดเลยมาเรื่องเกิดอริยมรรคไม่ได้เปลี่ยนอย่างนั้นหรอกครับผมงานมีอันเดียวคุณรู้ทุกไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยก็คือรู้ขันห้รู้ขันห้านะขันห้าให้รู้นะของคุณยังไม่เห็นหรอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ของคุณยังเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างยังรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่เรียกว่ารู้ทุกนะรรัยงไมู่้อก คนที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งต้องเป็นพระอรหันต์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะจะเป็นพระอรหันตนะ์แล้วนั้นรู้ทุกข์ละสมูทัยมันละเองพวกเรายัางเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันจะดิ้นรนหาความสุขมันจะดิ้นรนหนีความทุกข์อยากได้ความสุขอยากพ้นจากความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าตัณหาเป็นตัวสมูทยัยทําให้จิต ด, ดิ้นรนนะเมื่อจิต ด, ดิ้นรนความทุกข์มันก็ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นนึงแต่เดิมขันห้าเป็นทุกข์ แต่พอมีตัณหาขึ้นมานะจิตมันเป็นทุกข์ตามไปด้วยแต่เดิมขันห้าเป็นทุกข์เฉยๆนะจิตไม่ได้ทุกข์ด้วยหรอกแต่พอมีตัณหาขึ้นมานะจิตเลยไปทุกข์เพราะขันหา้าเป็นโคล้าส์ครับเมื่อไหร่รู้ทุกข์แกมแจ้งนะัะเมื่อนั้นจะละสมูทายอัตโนมัติไม่ต้องละนะเราไม่ต้องละจิตมันละมันเองครับผมเพราะอะไรเพราะมันรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง มันจะหมดความดิ้นรนที่จะวิ่งหาความสุขหมดความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ใจที่หมดความอยากหมดความดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่ามันละสมุทัยแล้วจิตซึ่งมันหมดความอยากหมดความดิ้นรนไม่ยึดถือในขันห้าในกายในใจจิตดวงนั้นจะไปรู้นิพพานนะแจ้งนิโรธในขณะนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วขณะเดียวอยากคิดนานะรู้ลงไปปัญญามันล้าไปนิดนึแล้ว น, น่ น, น ก็ช่วงที่ผ่านมาการภาวนาของผมก็พอรู้เรื่อยๆครับแล้วช่วงหนึ่งมันก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็เห็นว่าบางทีคิดแล้วค่อยโกรธแล้วบางทีก็โกรธแล้วค่อยคิดครับก็เลยเข้าใจเรื่องกิเลสกรรมวิบากที่มันเป็นวัฏจักรในหัวใจครับเข้าใจก็ดีแล้วนะอยากคิดนําก็แล้วกันคื <c oughs> อยังคิดนําครับแต่มันก็พอรู้เรื่อยๆครับเพียงแต่มันจะมีอยู่เหตุการณ์ที่กิเลสมันนําแรงก็อย่างตอนวันอาทิตย์หลังทําบุญเสร็จแล้ว กลับมาที่บ้านตอนนั้นคือ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่บางทีก็ยั ง, ยงทะเลาะ ก, กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับมันรู้สึกว่ากิเลสตัวความโกรธกับในเรื่องความที่เขาต้องไม่รู้คุณนี่มันยังแรงอยู่ครับเออให้รู้ทันมันไปนะแล้วก็แล้วก็เมื่อวันอังคารผมไปที่สำนักส่งโพธิญาณลังสีแถวบุญยวาสเดิมทีกลับปฏิบัติแต่ก็แค่มันก็มีความรักสุขรักสบายก็เลย ก็เลยขอท่านก็เลยยังไม่ได้เข้าปฏิบัติอย่างผมนี้ควรจะดัดนิสัยด้วยกันไปปฏิบัติที่ลำบากลำบากหรือเปล่าครับควรนะอนนี้ใส่ไม่ค่อยดีต้องดัดต้องไปลำบากหน่อยนะใจเรามันจะรักสบายครับไปแกล้งมันบ้างไปหัดภาวนาในวัดป่านะครับดีแล้วตอนนี้เริ่มทําในรูปแบบได้แล้วยังครับทําได้นะแต่ระวังไปเพ่งกันแล้วกันครับยังติดจะกลับไปเพ่งง่ายๆ แต่ว่าตอนนี้จิตมันหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมจิตมันออกมาเป็นคนดูได้ก็เมื่อจิตมันออกมาเป็นคนดูเวลาที่เราทําในรูปแบบเช่นเดินจงกรมนะจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเป็นคนเดินต้งฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเดินเอานะอย่าไปนั่งนั่งแล้วอย่าคิดมากครับเอาไปส่งไปข้างหลังหมอก็เมื่อก่อนตอนก่อนหน้านี้ค่ะเพราะมันต้องเข้าไปผ่าตัดค่ะแล้วก็ก่อนไปผ่าตัดเนี่ย รู้สึกจิตมันขยันในการภาวนามากเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาษาที่มันมันไม่เคยเจอ mm hmm. พอเข้าไปผ่าตัดเนี่ยปกติเขาจะต้องให้ยาให้มันหลับก่อน mm hmm. ใช่ไหคะหนูก็ไม่อยากจะหลับอยากจะดูมันไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องให้ mm hmm. แล้วก็เข้าไปดูตอนรอก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็ดูนอนรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอยู่จิตมันก็เหมือนเคลิ่มๆลงไปไหนไหนก็ไม่รู้อ ะ, ะ่รหลวงพ่อแล้วก็ขึ้นมา แล้วก็ลงไปอีกแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกลงไปสามทีแล้วขึ้นมาแล้วก็พอเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยตอนที่เราดมยาสลบเนี่ยก็จะรอดูว่ามันจะหายไปยังไงมันก็เหมือนคล้ายๆจิตมันรู้สึกตัวนะฮะแล้วมันก็ลอยเข้าไปแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยเออแหละจิตมันเกิดดับให้ดู <c oughs> ตรงที่มันลง <c oughs> เป็นช่วงช่วงนะจิตมันลงภวังออื <c oughs> <c oughs> ในความเป็นจริงก็จิตลงผวังทั้งวันอยู่แล้ ว, วเวลาจะเปลี่ยนอารมณ์แต่ละครั้ง แต่เราไม่ค่อยเห็นมันเล็กๆดีที่เห็นแล้วก็พอพอผ่าตัดเสรจเนี่ยตอนที่พอมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพอจิตมันรู้สึกตัวปุ๊บมันวิ่งไปที่ทุกเวทนาทันทีทันใดเลยผลวงพอแบบมันดูอะไรมันแทบจะไม่ได้เลยค่ะหลว่อมันเห็นตะปูดปวดปวดปวดแล้วก็หลวงพอพยายามพยายามพยายามจะนึกว่าโอ้ยเนี่ยหลวงพ่อต้องดูยังไงต้องดูยังไงเออเอ๊ะหลวงพ่อให้ดูว่า มันไม่ไม่ใช่เหาเพราะมันดูไม่ได้มันเห็นเหมือนกับมีจิตแล้วก็ความปวดมันติดกันเหมือนนิ้วสองนิ้วติดกันเหรอวะแต่ว่ามันมันไม่ใช่นิ้วเดียวกันนะคะแต่มันก็แยกกันไม่ออกมันดูได้แค่เนี้ยอืมก็ดูอย่างนั้นแหละเราต้องฝึกอีกฝึกไปเรื่อยๆนะเวลาจะตายอาจจะมีความทุกข์เยอะอทํำยังไงเราจะสามารถฝึกว่าจนกระทั่งความรู้สึกแล้วก็หลุดออกอย่างนัเลย แต่คื อ, อ น, นี้มันเกิดจากที่ว่าหนูใช้กําลังสมาถะเข้าไปพยายามดึงมันออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าคะหลวงพ่อไม่ไม่ใช่กําลังของจิตมันไม่พออารมณ์นั้นมันรุนแรง ม, มันรุนแรงมันก็ดึงจิตเราไหลตามเข้าไปจิตเราตั้งมั่นไม่พ อ, อเพราะฉะนั้นการรู้กายและเวทนาเนี่ยจะทําได้ดีนะเมื่อสรงสมาธิอยู่ในขณะนั้นจิตเราไม่ได้สรงสมาธิเราเพิ่งฟื้นจากสลบขึ้นมามเราไม่ได้ทําสมาธิไว้จิตมันไหลไปรวมอยัน อะไไปรวมกันทำวิปัสสนาไม่ได้ที่จะรู้กายหรือเวทนาให้มารู้ทันจิตแทนให้รู้ว่าจิตไหลไปรวมเข้ากับเวทนานะเกือบเกือบจะแนบแต่ไม่แนบหเหมือนนิ้วสองนิ้วก็แค่รู้ไปอย่างนี้รู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่ใช่อยากจะให้แยกออกถ้าอยากรู้แล้วอยากให้แยกออกเนี่ยไม่เป็นกลางจริงนะไปดูอีกน ะ, ะก็ถอดดูไปอย่างนี้จนทัง พอมันเหมือนมันสบักสบอมมากนะคะพออวันหนึ่งมันเลยหายไปหมดเลยคะ่ะไม่รู้สึกตัวเลยเลยเพิ่งจะเริ่มกลับมารู้สึกตัวใหม่วันนี้ค่ะหลวงพ่อต้องซ้อมนะแสดงว่าอย่างซ้อมไว้ไม่พอ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าสอบซ้อมสมัยโบราณมีนะไม่ใช่สอบจริงอา้าวต่อไปใครจะส่งกันบ้าน อ, าอ้าวเปิ้ลว่าไปค่ะ ข, ของเปิ้ลจะเห็นคล้ายๆหมอคะ่ะแต่ว่ามันจะเห็นเปิ้ปลลหาา่างไหมค่ะมันจะเห็นว่าช่วงหลังๆนี่เปิ้ลจะปฏิเสธ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของกายของใจอะ่ะหลวงพ่อยังมีกายก็ไม่อยากให้มันมีอย่างบางทีใจมันไหลไปเกาะกับอกุศลเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นใจเราอะค่ะจะเป็น<ห>ลักษณะนั้นไปงั้นแหละนะอยากถามหลวงพ่อแต่จริงๆน่าจะได้คําตอบแล้วคือก่อนนั้นเปื่นอยากถามหลวงพ่อว่ามันมีปัจจัยเสริมอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยเพื่อนรู้สึกไหมตรงที่เพื่นพูดว่าเราอะมันมีเราขึ้นมาจริงๆ ใ, <ช>ให้รู้ทันอย่างนั้นแหละค่ะ <The beach> คืออยากจะรู้ว่ามันมีปัจจัยเสริมที่จะช่วยให้เราแบบศรัทธาในาพระพุทธศา <t ell> สนาเราก็ตั้งมั่นไปได้เรืร่อยๆคือจริงๆก็คือการรู้กายรู้ใจใช่ไหมครั <t ell> หลวงพ่อก็ต้องฝึกเอานะคนที่มีศรัทธาแน่นแฟนจริงๆนีต้องเป็นพระโสดาบัน <t ell> <t ell> ลําพังปุถุชนเนี่ย ย, ยัง ม, มีศรัทธาที่กลับกรอกอยู่อย่างบางคนนะเขาลบพระรัตนตรัยอะไรเงี้ยแต่ถ้าพระรัตนตรัยขัดผลประโยชน์นะจะโกรธละนะ อย่างเช่นก็เคารพครูบาอาจารย์ดีๆนันวันหนึ่งอยากมีเมีย<ไ>อาจารย์บอกเฮ้ยอย่ามีเลยบวช ด, ดีกว่านะโมโ ห, โหอาจารย์อนะไรเงี้ย <c oughs> เรื่องว่าศรัทธายังกลับกอกอยู่แล้วแต่ผลประโยชน์เป็นตัวชีน้นาะต้องภาวนาไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจเรากับธรรมะเป็นนะอันเดียวกันเราจะรู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันเดียวกันจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจมากเลยให้เอาไปตัดคอนะแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าโกหกอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยไม่เชื่อ ไม่เชื่อหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆริงธรรมะนั้นปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆ จ, จิตของปุถุชนนั้นเมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งก็เป็นจิตของพระสงฆ์ขึ้นมาได้จริงๆรนี่ถึงจะแน่นแฟ้นถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันยังศรัทธากลับกรอกอยู่อาศัยความเชื่ออาศัยการช่างสังเกตเช่นดูครูบ า, าจารย์เอครูบ า, าจารย์แก่ๆนะทําไมดูท่านมีความสุขอะไรเงี้ย คนแก่ๆทั่วไปดูย่ำแย่อะไรเงี้ยนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตหรือบางทีเราก็ต้องอาศัยเพื่อ น, นช่วงไหนเราศรัทธาตกนะเราครบกับคนที่เขายังมีศรัทธาอยู่มันก็ยังดึงกันได้หลายอย่างนะแต่ว่าจะไม่ให้ตกเลยเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้หรอกผลประโยชน์เป็นตัวชี้นำเอาคุณดำเกิงคุณดำเกิ ง, ค, กงครับผมขอส่งอารมณ์ก่อนนะครับ ส่งกันบ้านที่เมื่อสองเดือนที่แล้วที่มาอยู่ที่นี่ฮะที่ท่านอาจารย์ให้ให้ให้ทำก็คือให้ไปดูจิตที่มันเริ่มไหลออกเนี่ยนะฮะอันเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าอารมณ์นั้นมันเกิดกับอายตนะทั้งห้าเนี่ยอันนี้จะจะดูง่ายเลยฮะอพอมันเริ่มไหลออกเนี่ยอย่างสมมุติตามองเห็นเนี่ยถ้าชัดเมื่อไหร่ก็คือออกไปแล้ว มันเสียงก็เหมือนกันแหละอันนี้มันจะไม่ยากแล้วตรงที่ไหลไปตรงนี้ไม่มีอกุศลด้วยเป็นวิบากเฉยๆครับตรงที่ไหลทางจิตนีไหลทางใจนี่แหละเกิดอกุศลและอกุศลครับดูยากกว่าครับอีกตรงที่มันมันมโนทวารล้วนๆเนี่ยจะดูยากแล้วก็ทําสมาธิเข้าครแล้วก็นั่งสมาธิไปเราก็ดูจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาซ้อาอย่างนั้นเลยครับอันอันนี้ดูได้แต่ว่าเวลาชีวิตประจำวันเนี่ย มันส่วนมากมันจะออกไปสักประเดี๋ยวถึงจะรู้ฮะสักประเดี๋ยวเรารู้ใช้ได้ละครับมันมันไม่ได้รู้อีตอนที่มันเริ่มไหลออกมันไม่รู้จําเป็นเพราะว่าตอนที่เราทำสมาธิอยู่เราดูเนี่ยเราคอนเซนเทรตครับเราดูอยู่อย่างต่อเนื่องมันเห็นชัดเห็นง่ายแต่ตอนที่เราอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยอายตนะทำงานทั้ง6กช่องมันทำงานตลอดตามองเห็นปุ๊บใจก็คิดหูได้ยินเสียงปุ๊บใจก็คิด นะใจอยู่ๆคิดขึ้นเองก็ได้โดยไม่ที่ตามไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินเขาทํางานสารพัดเลยรู้เท่าที่รู้ได้ครับผมทีนี้เมื่อ อ, อีกอีกอันหนึ่งนะฮะอยากจะส่งอารมณ์เมื่อเมื่อสักสักเดือนที่แล้ ว, ลวคือมีอยู่วันหนึ่งออพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เช้า ว, วันนั้นก็สักตีสีไดก้ก็เข้านั่งภาวนานะฮะ ก็เข้าชา้นไป เ, เวลาที่พอเข้าถึงชา้นสองนี่ก็ตัวตัวผู้รู้ผู้ดูก็จะออกมานะฮะอ อ, ออกมาอยู่แล้วก็สังเกตสังเกตเอสุขเวทนาที่กําลังดําเนินอยู่นะฮะทีนี้กําลังพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยคือพอเข้าถึงชา้นสามเนี่ยมันจะมีสุขสลับกับอุทก ข, ขมสุขใช่ไหมฮะจะัดทัพทีนี้ดูไปเรื่อยๆเนี่ย อยู่ดีๆเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยเขาเขาไม่ดูอันนั้นแล้วฮะเขาไปดูไอ้ไอกระแสของของสภาวะที่สิ้นไปสิ้นไปของอของพวกนี้มันสิ้นไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับตรงนั้นนะจิตพลิกจากสมถะมาขึ้นวิปัสนาขึ้นวิปัสนาแล <นะ S 2> ้วใช่ไหมขึ้นเองเลยและจิตตรงนั้นก็เป็นอสังขาริ ก, กังเลยใช่ไหมใช่เ ป, น เ, นเป็นเองแล้วทีนี้พอดูต่อไปเรื่อยๆนะฮะคล้ายๆกับว่าคําพูดอะไรไม่มีทั้งนั้นฮะไม่มีวิถก เวลาขณะที่เปลี่ยนชาจากจากชาสามเข้าไปถึงชาสีเนี่ยนะไอต้ตรงนั้นนะ่ะสภาวะสุขมันก็จะหายไปแล้วก็เหลือแต่อุทกมาสุขแต่ปรากฏว่าผู้ดูเขาก็ยังคอนเซนเทรตกับสภาวะการสิ้นไปอยู่อันเดียวอ่นดีแล้วล่ะายกัว่าเหมือนกับว่าอารมณ์พวกน้ำนั่นเป็นอารมณ์ที่มันฉายผ่านไปต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่เอาเขาไปเอาเขาจะไปจับสภาวะอันนี้อันเดียว แล้วเวลาถอยหลังออกมาก็เหมือนกันฮะเขาจะไปจับที่ทกระแสของสภาวะสิ้นไปมันรวดเร็วมากนั่นแหละดีแล้วนะเห็นแต่ความดับไปดับไปดับไปตรงนั้นจิตมันทรงที่เรียกว่าพังขยานครับมันจะเห็นแต่ความดับดับดับดับไปแครับทรงอย่างนั้นเรารู้ต่อไปอีกโลกนอกมันจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่เป็นก็ช่างมันครับแล้วรู้สึกว่าไอ้ตอนนั้ น, ม, นมันมีความสุขนะครับที่ได้ไปเห็นอย่างนั้น มันมีความสุขแล้วก็เวลาที่สักพักใหญ่ๆนะชั่วโมงกว่าๆบางทีมันมันมีไอ้ใจมันไอ้กิเลสสมาร์นมันเข้ามาดึงแวบออกไปนะฮะมันก็รู้ทันควันเหมือนกันนะฮะแล้วพอรู้ปั๊บมันก็หายหน้าไปเลยแบบนั้นหลวงพ่อเมื่อก่อนที่ภาวนานะครับที่ตกกลางคืนที่บอกว่ากลับมาบ้านนั่งสมาธิอะไรเนี้ยเดินจงกรมอะไรเนี้ยส่วนใหญ่นั่งนั่งก็จะดูอย่างเนี้ยดูมันทางาน เห็นแต่มันดับไปดับไปสลายไปเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นว่ามันทํางานของมันเองนันแะถ้าดูไปเรื่อยๆจนมันพอนะมันตัดของมันเองครัล้ายๆตอนนั้นอารมณ์อื่นเขาไม่เอาแต่ก็รู้อยู่ว่าเห็นมันเหมยฉายผ่านไปอย่างนั้นแล้วมันไม่มีอารมณ์ไม่มีบัญญัติแทรกครับมันไม่มีคําพูดคมันไหลไหลๆหไปทำไมมันคําพูดมันหายไปเพราะวิตกวิจารณ์ดับไปแล้วมันใจตัวรู้มันเลยเด่นดวงขึ้นมา นี่พอปีติดับลงไปใช่ไหมความกระเพื่อมวันไหวก็ไม่มีเราก็เห็นอยู่ที่จิตที่ใจที่ทํางานอยู่เนี้ยนะด้วยอย่างมีความสุขพอรู้ทันลงไปนะถึงจุดหนึ่งก็เป็นอุเบกขาเป็นเอกาคตากับอุเบกขาอยู่จิตตรงนั้นตั้งมั่นมากเลยครับจิตมันทรงอยู่อย่างนั้นแล้วมันไปเจริญปัญญาอยู่ในฌานที่สี่ครับแล้ววันนั้นรู้สึกว่ามันก่อนที่จะเข้าเนี่ยมันมันก็มีตึงหัวนะฮะมันมึนหัวแต่ปรากฏว่า ปรเดี๋ยวมันสองชั่วโมงประเดียเด๋ยวได้วหาไม่รู้ไอ้ไอ้มือหัวหายเป็นไหนหมดการภาวนามันมีหลายแบบอันหนึ่งใช้สมาธินําปัญญาทําความสงบก่อนนะพอจิตถอนออกมาแล้วมารู้กายรู้เวทนาไป <c oughs> อีกอันหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธนะิดูลงปัจจุบันเลยดูจิตดูใจมันทํางานไปเรื่อยจิตตานุปัสสนาเนี้ยใช้ใช้ในชีวิตประจำวันดูไปได้ครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันอย่างที่คุณดําเกิงทำเลย จิตเท่าชานไปนะพอพ้นชานที่หนึ่งไปแล้วจากชานที่สองไปเนี่ยมันเพิกวิตกวิจารณ์ไปแล้วมันจะเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเกิดดับไปแต่ว่ามันประณีตเป็นลําดับลําดับในเบื้องต้นมีปีติแล้วทําให้มันเหมือนน้ํากระเพื่อมน้ํากระเพื่อมก็ยังดูไม่ชัดครับพอปีติดับไปมีความสุขนะเหมือนน้ำนิ่งๆนะแต่ไหลนิ่งๆครับไหลแบบไม่กระเพื่อมอไหลไปเรื่อยๆก็ยังไม่ชัดนะตรงที่มันเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ย จากความสุขไปตรงนี้ชัดที่สุดเลยรู้สึกมันจะไปเริ่มชัดมาชั้นสามนะครับ ช, ชั้นชเอ่อชั้นที่หนึ่งเนี่ยเริ่มเห็นครับชั้นที่สองดีขึ้นเพราะว่าปีติมันดับไปครับในชั้นที่สามอะปีติมันดับไปมันไม่กระเพื่อมเหมือนดูอะไรอย่างหนึ่งตกอยู่ในตุ่มน้ํานะน้ํากระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยดูไม่เห็นอะครับเห็นแต่ลางๆจับไม่ถูกต้องแต่ยังบางทีน้ําไม่กระเพื่อมแรงเหมือนน้าในลำลำห้วยลําธารน้รําไหลรินไปนะ แต่ก็ยังมีการไหลอยู่การไหลอยู่เหมือนอย่างจิตซึ่งยังมีความสุขอยู่มันก็ยังบังเหมือนกันแต่ตอนนี้มันรู้ชัดสุดขิตตรงที่ฌานที่สี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาท่านภาวนาท่านเลยเล่นชานหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมถึงฌานสี่แล้วเนี่ยน้อมน้อมจิตไปสู่ยานทัศนะข์ไปเห็นไปรู้ครับตอนนี้มันรู้สึกว่าชานหนึ่งฌานสองเนี่ยมันจะข้ามเร็วมากเลยฮะไปก็ไปอยู่ไปอยู่ที่สักบางทีไม่ได้จับด้วยซ้ํา ก็มันผ่านไปเลยครับมันผ่านอยู่ที่สติปัญญาเรานี่แหละครับดีแล้วดีแล้ ว, ลวทีนีออ้อยากจะเรียนถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าหากว่าอย่างอย่างจิตผู้รูท้ที่ไปที่ไปดูสภาวะดับไปอย่างเนี้ยอันนี้เขาเป็นเขาเองนะฮะเขาเป็นเองอันนั้นเป็นวิปัสสนานะฮะเป็ น, ปนแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เนี่ยสมมติว่าไปตั้งใจดูเขาอันนั้นเป็นสมถะใช่ไหมครับตั้งใจดูใช้ไม่ได้หรอกฟุ้งซ่าน ทำขึ้นมานะทำขึ้นมานะครับผมเะั้นจิต ท, ที่เดินวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นมหากูุสลจิต่าสัมปยุตคือประกอ บ, บด้วยปัญญาอาสังขาริกรรมไม่ได้เจตนาให้เกิดสติสมาธิมันเกิดเองนะสติระลึกรู้อย่างเห็นสภาวธรรมไหลผ่านไปสติระลึกรู้ สัมมาสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ไม่กระโจนลงไปเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งนี้ไม่มีตัวเราครับ <c oughs> มีแต่ปรากฏการแต่ไม่มีเจ้าของครับ <c oughs> ดีนะ <c oughs> เอาต่อไปเดี๋ยวลองข้อขอตรวจกันบ้านพวกมหิดลหน่อยเอาคุณหมูส่งมามีกี่คนรอบนี้ มีไม่มากนี่นะมี10คนครับมี10เองเหรอเนึ่องว่ามี30คนไปายถึงเฉพาะวันนี้นะครับ๋อแยกกันมาเห็นอาจารย์บอกว่าวันถัดไปก็ก็ผลัดกันขึ้นมาครับแล้วทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เหรอแล้วที่เหลือไปอยู่ไหนอ่ะทั้งหมดอยู่ด้านหลังก็มีครับอยู่ข้างหลังเหรอครับอ๋ออ่ะว่าไปเรียนถามพระอาจารย์นะครับคือการที่บอกว่าดูโดยไม่เจตนาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าไม่ต้องฝึกใช่ไหมครับไม่ใช่ ต้องฝึกนะฝึกจนมันไม่เจตนาจะรู้รู้โดยไม่เจตนาจะรูนะ้อะไรทำให้เป็นตัวรู้เครื่องมือในการรู้เรียกว่าสตนะิคนส่วนใหญ่ชอบไปแปลสติว่าการกำหนดเช่นกำหนดลมหายใจกำหนดท้องพองยุบอนะไรเงี้ยชอบไปกำหนดกำหนดไม่ใช่แปลว่าสติกำหนดเป็นภาษาเขมร น, นะแปลว่ากดกดไว้ข่มไว้ภาษาเขมรนะส่วนคาว่าสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได สติเป็นตัวระลึกนะหมายถึงมีอะไรอยู่มันก็รู้ว่ามีสิ่งนั้นอยู่อะไรเป็นเหตุให้สติเกิดนะในพระอภิธทําสอนชัดเลยนะบอกว่าธิระสัญญาท้ถอถุงสลายอิรอเรือธิระคําว่าเสถียนนั่นเองธิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะธรำได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะนี่ว่าจะสอนพรุ่งนี้นะมาถามก่อนสอนสเลยเพราะฉะนั้นทําไมจิตถึงจะจําจสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆ เพราะงั้นคุณคอยรู้สึกอยู่ที่กายบ่อยๆรู้สึกอยู่ที่จิตใจบ่อยๆตรงนี้ยังไม่ใช่เจริญวิปัสนาเป็นการรู้กายรู้ใจเพื่อให้เกิดสติต่อไปพอมีสติขึ้นมาแล้วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญคือสัมมาสมาธิสติและสัมมาสมาธิมันจะทําให้การรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นวิปัสนาขึ้นมางั้นในสติปัฏฐานเนี่ยนะมี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งทําไปเพื่อให้เกิดสติส่วนเบื้องต้นทําไปให้เกิดสติเบื้องปลายจะทําให้เกิดปัญญา วิธีทําให้เกิดสตินะร่างกายเคลื่อนไหวคุณคอยรู้สึกจิตใจคุณเคลื่อนไหวคุณค่อยรู้สึกรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธไหมเคยกลัวไหมเคยอิจฉาไหมเคยกังวลไหมเห็นไหมเนี่ยคือสภาวะทั้งหลายนะไม่ว่าสภาวะอะไรกําลังปรากฏอยู่ในใจเรานะเราคอยรู้ไปเรื่อยๆการที่เราเห็นสภาวะที่หมุนเวียนอยู่ในใจเราเรื่อยๆนะหรือเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกเรื่อยแต่ไม่เพ่งนะแค่รู้สึก รู้สึกเรื่อยๆต่อไปเนี่ยสติจะเกิดเองเช่นถ้าเราหัตอย่างหลวงพ่อเทียนเราขยับไม้ขยับมืออย่างเงี้ยวันหนึ่งเรากำลังเผลอลืมตัวเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราจะก้าวเท้าไปจะไปคุยกับเาพอเราขยับเท้าปับ๊บนะสติเกิดเองเลยเพราะมันเคยระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหวอยู่นะแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะระลึกรู้แค่รู้เล่นๆแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่ง ไม่ใช่บังคับไม่ใช่กำหนดผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่ทำผิดเพราชอบกำหนดนั่นแหละกำหนดลมหายใจกำหนดโน้นกำหนดนี้แล้วชอบแปลคำพีตามใจชอบนะบอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้เคยได้ยินไหมทุกข์ให้กำหนดรู้บางคนเลยเถิดไปนะสมูทไทยให้กำหนดละนีโรดกำหนดให้แจ้งมรก็กำหนดให้เจริญนี่ฟุ้งซ่านนะคำว่าทุกข์อ่ะท่านบอกทุกข์ให้รู้ให้รู้รอบ มาจากคําว่าทุกขังอริยสัจจังปรินยยังนะหมายถึงว่าทุกข์เป็นของที่ควรรู้รอบรู้รอบหมายถึงว่ามีอะไรเป็นตัวทุกก็ขันห้าเป็นตัวทุกเรารู้ทั้งขันห้านะไม่ใช่รู้อันเดียวรู้รอบก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้อย่างลึกซึ้งลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์นะั้นที่ว่าให้รู้ทุกเนี่ยก็คือให้เห็นกายเห็นใจนี่แหละเขาเป็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่กําหนดกายกําหนดใจถ้ากําหนดอยู่จะไม่เกิดปัญญาจะนิ่ง ต้งปล่อยนะปล่อยการกําหนดออกไปสติแปลว่าความระลึกได้เพราะเราระลึกไปเรื่องั้นเบื้องต้นอย่าตอนนี้รู้ไหมตั้งใจฟังไม่ได้ฟังจริงหรอกฟังแล้วก็แอบไปคิดรู้สึกไหมเห็นไหมมีการรอฟังเป็นระยะระยะรอจะพูดยังจะคอยจํำให้รู้ทันการทํางานของจิตไปเรื่้วหน่อยหน่อย เคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อสองครั้งอะคะ่ะครั้งล่าสุดเนี่ยหนูส่งว่าหนูเห็นสภาวะของความตกใจที่ไม่ใช่เราตกใจอะคะ่ะแยกออกมาให้ดูน่านคร่องอย่างนั้นสิสแป๊บเึงยวแล้วมันก็ดับไปอแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะให้คอยดูตัวอื่นอีกแต่ว่าไม่<ถ>มันต้องรู้เองนะหมายถึงว่าเป็นอย่าไปดูอยู่ตัวเดียวนี้แหละตัวอื่นมาก็ดูแบบเดียวกันนี้ ก็จะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความกังวลความกลัวความอิจฉาอะไรเนียเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยมันเหมือนกับที่ความตกใจเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่นแหละเราจะเห็นได้ว่าในความตกใจไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมไม่ใช่เราตกใจนะความตกใจเป็นสภาวะอันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงเป็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีตัวเราดูอย่างนั้นแหละ แล้วมีข้อนึงค่ะอันนี้คือคำเกือบแบบเกือแบบสองปีมาแล้วคือมีสภาวะหนึ่งที่เ ห, เหมือนเห็นแต่ว่าเหมือนตัวเราไม่มีสักแต่ว่าเห็นเหมือนกันอันนั้นคือเรียกว่าเอาไปเทียบกับที่ปฏิปสองธรรมอะค่ะนั้นคือตาเห็นรูปถูกไหมคะใช่ตามองเห็นใช่ไหมเสร็จแล้วเห็นแล้วมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมันจะส่งสัญญาณเข้ามาตอนที่ตามองเห็นเราไม่รู้ว่าเห็นอะไร มันต้องส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วที่ใจนี้มาแปลมาแปลว่าอ๋อนี่เห็นคนสมมติว่าคนชื่อหมูข้อมูลเก่าสัญญาก็จะให้มาเลยปื๊บนิสัยไม่ดีอย่างงี้ยๆนะสังขารจะปรุงในปัจจุบันเลยโทสะก็จะเกิดขึ้นเนะี่ยวิธีการทํางานของจิตก็เป็นอย่างนี้นะถ้าจะเรียนเรื่องจิตนะก็ต้องไปเรียนจิตเป็นยังไงนะจิตมีกี่แบบนะจิตทํางานยังไง พอตามดูไปค่ะพอเห็นมันคิดมันฟังมันอะไรเงี้ยค่ะรั้นรู้สึกเหนื่อยเน่อยตอนหัดใหม่ๆนะที่จะรู้สึกตัวเนี่ยเหนื่อยหลงหลงไปแล้วเพลินไม่เหนื่อยแต่กลับข้างกันนะพอรู้สึกตัวเป็นชำนิชำนาญแล้วหลงหลงเนี่ยมันเหนื่อยนะรู้สึกตัวนะ่สบายมีความสุขคล้ายๆเราหัดขับรถนะ่ะหัดขับรถที่แรกขับยังไม่เป็นนะเดินสบายกว่าขับรถอีก แต่พอขับรถเป็นนะขับรถสบายกว่าเดินจะกลับข้างกันความรู้สึกเราจะเปลี่ยนตอนนี้เรายังไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเรายังเค้นตัวเองยังบังคับตัวเองที่จะให้รู้สึกมันก็เหนื่อยสิแต่ถ้ามันรู้สึกเป็นไม่เหนื่อยหรอกจะหน้าใสๆเนี่ยพวกนั่งแถวหน้าลองหันไปโชว์หน่อยสิหน้าใสๆนะเนี่ยดูข้างๆก็ได้อย่างน่อยเนี่ยรู้สึกไหมเขาผ่องใสเราฝึกไปหน้าละวันหนึ่งสติของเราเกิดขึ้นมามันผ่องใสนะ มีคนเข้าไปสัมภาษณ์นิตยสารนะแอลว่าทำไมสวยมีวิธีบำรุงความงามยังไงมาฟังซีดีหลวงพ่อปรโมทนะมีซีดีให้ดูด้วยสวยเพราะซีดีซนะีดีนี้เอาไปฟังนะไม่ใช่เอาครีมทาซีดีตูถูอย่างนี้ไม่สวยนะอา้าวต่อไปการหลวงพ่อคะ่ะคือ หนูค่อนข้างยังสับสนอยู่เรื่องวิปัสสนานะคะถ้าคือสมมติเรานั่งสมาธิไปเนี่ยมันถึงขั้นปิติแต่เรารู้สึกว่าปิติมันก็ยังแบบว่าไม่ไม่สบายค่ะคือภาวะที่มันผ่อนคลายลงมาเนี่ยมันจะสบายกว่าแล้วก็ค่อยๆประคองมันไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วนัเป็นสมถะเป็นสมถะมมรถเราถ้าเราจะวิปัสสนาต่อมันสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนกันสมถะทําไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบ ไม่ให้จิตเป็นกุศลสบายมิปัสนาทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนั้นวัตถุประสงค์นี่แตกต่างกันสมถะเอาความสุขเป็นหลักความสงบเป็นหลักมิปัสนาต้องการให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่เหมือนกันสมถะเนี่ยวิธีทมก็คือปกติใจเราฟุ้งซ่านจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นีนทน้ทีเวลาจะทําสมถะก็น้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นไปอยู่กับลมหายใจ หายใจไปแล้วจิตเราไม่หนีไปที่ไหนเลยจิตอยู่กับลมอย่างเดียวเลยสบายมีความสุขขึ้นมาแต่วิปัสสนาเนี่ยนะจะเห็นจิตมันทํางานนะหรือเห็นกายมันทํางานเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังนะมันจะไปคิดมันจะไปดูหรือมันจะไปฟังมันก็เป็นของมันเองเราไม่ได้สั่งนะมันเป็นของมันได้เองนะเนี่ยดูไปจนกระทั่งเห็นความจริงเลยว่าไม่ใช่เราหรอกงั้นถ้าหากจะทําสมถะก็ทําไปเพื่อพักผ่อน พอหมดเวลาทำสมาธิจิตถอยออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยให้มีสติรู้ทันจิตไปเลยจิตเมื่อกี้อยู่ในสมาธิมีความสุขมีความสงบพอออกมาข้างนอกนี้เริ่มฟุ้งซ่านลนะดูออกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเข้าชานนะพอออกมาแล้วเนี่ยจิตเริ่มฟุ้งซ่านตามรู้มันไปเลยว่ามันฟุ้งซ่านแนละ้เห็นไหมมันไม่คงที่ตามอย่างนี้นะดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ อย่างตอนนี้อย่างหนูตื่นเต้นอยู่นี้ก็ให้ตตื่นนเ้้ใหรู้ว่าตื่นเต้นแต่ไม่ใช่รู้ว่าตื่นเต้นตอนนี้ไปกดตัวเองไว้ด้วยเพื่อจะไม่ให้ตื่นเต้นการเข้าไปกดตัวเองไปบังคับตัวเองนี้เป็นการเข้าไปแทรกแซงสภาวะไม่ใช่การรู้สภาวะตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะเราจะเห็นเลยร่างกายจิตใจนี้มันตื่นเต้นรุกรีรุกลนนะใจเราเป็นคนดูอยู่เฉยๆไม่มีส่วนได้เสียมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นตื่นเต้นไม่ใช่เห็นเราตื่นเต้นไม่ต้องไปแก้ไขเลย แล้วมีใครอีกสิบคนไม่ส่งสิบคนหรืไม่ส่งก็ไม่ว่านะหลวงพ่อชอบมรดกการหลวงพ่อตอนนี้จิตไปทําอะไรบอกสิคิดจิตไปคิดตอบถูกเนี่ยหัดรู้ตัวเองอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติละนะไม่จําเป็นต้องถามอะไรหลวงพ่อเลยเราเห็นสภาวะแล้วก็ใช้ได้ละมาเรียนที่หลวงพ่อนะ พยายามเรียนเพื่อดูสภาวะให้ได้นะครูบาอาจารย์ที่สอนให้ดูสภาวะมีไม่มากหรอกท่านไม่ค่อยสอนหรอกมันเหนื่อยส่วนมากก็จะสอนให้ทํำๆไปวันหนึ่งก็แจ้งนั้นหลวงพ่อจะสอนให้ดูสภาวะงั้นอย่าพยายามถามหลวงพ่ออะไรที่เสียเวลาพยายามถามหลวงพ่อว่าเช่นทําบุญแล้วต้องกรวดน้ํำไหมอะไรเงี้ยนะแผ่ส่วนบุญไปแล้วผีจะได้ไหมอ ะ, ะไรเงี้ย น, นะหรือภาวนานะจิตเห็นนิมิตเห็นเทวดานะ อยากจะเห็นพระปลอมด้วยจะทํำยังไงนะคําถามชนิดนี้นะเหมือนกับเอามีดโกนไปผ่าฟืนใช่ไหมนะเรามีมีดผ่าตัดอยู่คมๆนะต้องเอาไปใช้ทํางานที่คุ้มค่าหนะ่อยเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะอย่ามาถามหลวงพ่อด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเมื่อคืนวานหนูฝันค่ะบอกพรโถมเมื่อคืนหนูก็ฝันหนูไม่รู้เองอะคอยรู้สึกอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึก อะไรเกิดขึ้นรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆจะถามอะไรอีกไหมไม่ถามแล้วค่ะลูกก็ควรจะอย่างนั้นแหละเพราะเรื่องที่สมควรถามหลวงพ่อก็ตอบไปหมดแล้วจะจะขออนุญาตถามหลวงพ่อว่าสภาวะตอนนี้ของหนูเป็นยังไงจะได้จําได้啊ค่ะตอนนี้ไปกดเอาไว้หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมเป็นน้อมใจให้ซึมๆเราคิดว่าความซึมคือความสงบความสงบคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่นะไม่ต้องน้อมให้ซึมจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติ ไม่ใช่น้อมรู้สึกไหมน้อมแจกให้ซึมไม่หน่อยๆเนี่ยหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะทำเงี้ยเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่น ะ, ะเรียกว่าหลงผิดอยู่ปล่อยจิตให้เคลื่อนไหวปล่อยจิตให้มันทํางานออกมาแล้วตามดูมันไปเช่นคนนี้เขาชมเราใจเราพองขึ้นมาเลยเรารู้ว่าพองคนนี้มันว่าเรานะใจเราเดือดปุดๆเลยเรารู้ว่าใจเราเดือด คอยรู้ไปเรื่อยๆแอบไปคิดอีกแล้วซึมอีกแล้วรู้สึกไหมไปคิดแล้วมันซึมพยายามเคลื่อนไหวไว้นะทำกรรมาฐานที่เคลื่อนไหวอย่าอยู่นิ่งๆนะกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆสมมติว่าเดินจนเมื่อยแล้วก็ขยับไม้ขยับมือไปขยับมือไปอยู่แถวเนี้ยสะดวกแมงวีเยอะขยับไปขยับนะขยับนะขยับแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกไปนะอย่าไปทงนี้นะ อย่างเนี้ยไม่เอานะอย่าไปติดซึมนะติดซึมเยอะไปกาวธรรมศาส์ ก, การถามเลยว่ามีอะไรแนะนำไหมครับที่ฝึกอยู่พอดีใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอย่าประคองจิตไหมยังมีการแอ บ, บไปประคองให้มันนิ่งไน้นิดๆปล่อยมันไปให้มันเป็นอิสระอย่างแท้จริงถ้าเราภาวนาเนี่ยเมื่อกี้อยากพูดทราบไหมมีความอยากพูดผุดขึ้นมากลางหน้าอกอเห็นไหมมันอยู่กลางหน้าอกเนะี่ย กิเลสอื่นๆก็ผุดขึ้นกลางหน้าอกนี่แหละแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่กลางหน้าอกนะให้กิเลสโผล่แล้วก็ค่อยรู้ห้ามไปจ้องไว้ก่อนของคุณต้องระวังเรื่องการไปเพ่งไว้ก่อนขอบพระคุณครับตอบตรงคําถามไหมเนี่ยตรงครับหลวงพ่อก็ว่างัา้นแหละมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีละอ้าวนอนไปข้างหลังไปพวกนี้เอาไว้ก่อนนะของนี่ของโควตาพรุ่งนี้เนี่ยรู้แล้วเอาหมอพีหมอพีไปไปข้างหลังข้างหลัง อ้าวชาวมาฮิดนกลับมาหลวงพ่อคะอาทิตย์ก่อนที่มันล็อกแล้วมันก็เสื่อมลงไปใช่ไหมคะแล้วพอตอนนี้มันรู้อะไรแล้วก็มันก็แบบมันเหมือนแค่อะไรที่มันมีส่วนเกินเป็นน้ําหนักขึ้นมามันก็แบบรู้แล้วก็สลายลงไปมันถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วแต่ตอนนี้ไม่ถูกนะค่ะรู้สึกไหมจิตตอนนี้ล็อกอยู่ทือๆอยู่มันนแข็งๆนิดหงอ่ามันเข้าไปล็อกอยู่ข้างในแล้วเวลาหนูมองอะไรเวลาหนูขับรถค่ะหลวงพ่อพอมันไปกระทบรูปอะค่ะแล้วมันก็เบลอ กระทบแล้วก็เบล ER อแล้วเวลามองอะไรมันแบบมันเหมือนอันนั้นถูกต้องแล้วสติเราเร็วพอที่เราจะเห็นแล้วในความเป็นจริงแล้วเรามองรูปนะเหมือนดูการ์ตูนอะดูทีละ ร, รูปเดียวดูรูปอันเดียวเองอะแวบบเดียวนะแล้วมันจะเบลอ ER ไปก็ต้องดูใหม่เสียว่าอาศัยสัญญาอาศัยความจําจิตมันจํารูปได้มันก็เห็นว่ารูปเมื่อกี้อยู่ตรงนี้รูปใหม่มันอยู่ตรงนี้นะเราเห็นว่ารูปมันเคลื่อนได้ความจริงรูปตรงนี้เกิดแล้วก็ดับรูปตรงนี้เกิดแล้วก็ดับ นะมันจะเบลอแค่นี้แต่แบบเวลาขับรถไปไกลๆค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมันลาคานตัเองเลยไม่นานหรือเปล่นานนไม่นานค่ะแต่มันเป็นขณะขณะขณะขณะ น, นั้นถูกต้องแล้วแต่มันลาคาญตัวเองด้วยลำคาญให้ดูไปจิตมีโทสะอ๋อค่ะจิตมีโทสะในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าใครนะมองก็เห็นแบบนั้นแหละอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ชาวมหิดนมองหน้าหลวงพ่อเมื่อกี้จะเห็นชัดแว็บเดียวรู้สึกไหมเดี๋ยวจะแสดงปาฏิหาริย์เอาดูสิเห็นไหมชัดหรือแว็บเดียว พระอะไรพราะจักขู่วิญญาณจิตเกิดครั้งละขณะจิตเดียวนะแล้วก็เบลเบลไปมันหนีไปทํางานทางใจต่อหลวงพ่อคะแล้วแบบจิตหนูก็ไปจําอะไรแบบมันเหมือนแบบเห็นยาดมไปความว่างตามมานิดนึงเลยค่ะแล้วเวลาเป็นไปดูรูปอะไรค่ะหลวงพ่อมันแบบหนูไม่รู้ว่าเวลาหนูมองและหนูไปคิดมันคิดนําหรือว่ามันเห็นไปว่ามันแบบมันไปเห็นเข้านะแต่ไม่ใช่ฝึกเอาอย่างนั้นนะการที่เราเห็นจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ย มันเดินอรหัตตะมักแล้วหนูหนูหนูมันไม่ได้เป็นบ่อยนะคะหลวงพ่อมันเป็นเฉพาะที่มันแบบเหมือนมันไม่ตั้งใจอยู่แล้วค่ะมันจะเป็นแบบเป็นช่วงๆแต่หนูก็ว่ามันคิดนําหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีคิดนําก็ได้อย่างคนบางคนไปอ่านหนังสือเซนอ่านหนังสือเซนนะของเซนอ่านเสร็จแล้วมาดูโลกรู้สึกว่างๆรู้สึกแปลกๆเนีมันธรรมะมันนําให้แต่ว่าเราไม่รู้เอาไปทําอะไรอยู่ๆเราจะไปน้อมจิตให้ว่างๆอย่างนั้นทั้งวันนะก็กลายเป็นการแกล้งทํา งานของเราก็รู้กายรู้จิตไปธรรมดานี่แหละแต่ปลายทางมันจะว่างเมื่อปีสองเจ็ดนะหลวงพ่อไปวัดที่สุรินทร์วัดหนึ่งไปหาพระตอนนั้นหลวงปู ด, ดุลไม่อยู่ละหลวงพ่อกิมเนี่ยไปลูกศิษย์หลวงปู ด, ดุลท่านก็ชี้ให้หลวงพ่อดูไปนั่งที่กุฏิท่านนะท่านชี้ลูกกลงลูกกลงท่านเป็นไม้ประโมดเห็นไหมเห็นสุญญตาในลูกกลงนี้ไหมโมกเห็นครับ พโมทเห็นสุญญตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมบอกเห็นครับพระโมทเห็นสุญญตาในพื้นกระดานนี้ไหมบอกเห็นครับเอาละพอละจบฟังแล้วเห็นแล้วทําอะไรอ่ะเห็นแล้วเอาไปทําอะไรเราไม่รู้ว่าเอาไปปฏิบัติยังไงแท้จริงแล้วตรงนี้มันเป็นปลายทางต้นทางนะคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยแต่รู้ลงไปเรื่อยบางคนรู้แล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงบางคนรู้แล้วเห็นมันเป็นทุกข์บางคนรู้แล้วเห็นว่ามันว่างจากความเป็นตัวเป็นตน นะอันนี้ท่านไกด์ไลน์ให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันว่างจากความเป็นตัวตนนะหมอปีดูไปอีกยังไม่พอค่ะหลวงพ่อแล้วอะไรนะอย่างตอนเนี้มันแบบมันเหมือนมันโล่งๆไปก็คือโล่งๆตัวนี้แกล้งทำอ๋อค่ะตัวนี้น้อมใจให้โล่งหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะหรือ ด, ดูจิตได้ป่ะเดี๋ได้ใช่ไหมเนี่ยจิตเป็นแบบนี้อ๋อค่ะนึกออกใช่ไหมค่ะ แต่การที่ดูแล้วบอกพอเราเรารู้ว่าแบบแค่ตั้งใจนิดมันก็แบบมันก็แบบตั้งใจนิดเดียวก็ผิดแล้วมันก็ผิดใช่ไหมคะมันก็แข็งแข็งใช่ไมใช่แล้วพอเราไปรู้มันก็สลายลงไปใช่ไหมคะเออแล้วเหมือนเหมือนตอนนี้แบบบางที่แบบไม่เข้าวัดมาทัมันมันเหมือนเวลารู้อะไรมันก็จะสลายลงไปรู้แล้วก็สลายลงไปแค่แ<ต>นี้<ต>ใช่ไหมคะเออแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะค่ะตอนนี้แข็งแข็งแล้วออนกลัวหลงคออ่าาเหนื่อยขอบคุณค่ะเนี่ยสอนเรื่องสภาวะนะกิริแรง อินแรงแล้วต้องฉันน้าก่อนอ้าใครจะยกมือตอบไปเขายกแล้วเขายึดหม่ไว้ด้วยคนนี้ฉลาดครับการการหลวงพ่อครับเมื่อเดือนที่แล้วผมมีโทรศาสติดมาแล้วหลวงพ่อก็ให้การบ้านไปว่าผมอัดซ้ําลงไปอีกพอหลังจากนั้นมาก็เห็นโทรศาสเกิดขึ้นได้ชัดเจนบ่อยๆครับก็มาขอรับการบ้านกลับไปทําต่อกันทําอย่างนั้นแหละนะ เราเป็นคนโทสะเยอะเราก็ดูโทสะไปสังเกตไหมจิตมีสองชนิดคือ <c oughs> จิตที่มีโทสะกับจิตไม่มีโทสะสังเกตไหมจิตที่มีโทสะก็ชั่วคราวจิตที่ไม่มีโทสะก็ชั่วคราวดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตท <c oughs> ี่ทำมาก็ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ครับขอบคุณครับไปทางนู้นนะคนนั้นยกมือยาวกว่ายกพร้อมกันแต่คนนี้มือยาวกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวคุณเสื้อเขียว นมัส ก, การครับมาคราวที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูว่าบังคับมากไปฮนะมาคราวนี้ขอคําชีนน้แนะเพิ่มเติมาครัาวก่อนหลวงพ่อใส่ร้ายหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าบังคับเห็นครับอื <c oughs> ตอนนี้มันเบากว่าเราก่อนแล้วนะครับ <c oughs> สังเกตไหมพอเราบังคับไว้นะทุกอย่างจะนิ่งครับ <c oughs> นการบังคับกายบังคับใจนี่แหละที่ท่านเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานโยโบังคับแล้วมันนิ่งไม่มีไตรลักษ คุณสังเกตไหมพอคุณบังคับน้อยลงจิตใจของคุณก็เริ่มเคลื่อนไหวครับเห็นไหมกิเลสเกิดบ่อยๆครับนะไม่ใช่ว่ามีแต่ความนิ่งความสุขความสงบนะมีแต่กิเลสเกิดวบแวบวบแวบไปได้ตามดูอย่างนั้นหแหละเราตอนนี้ผมไม่ดูไม่ออกว่าผมประคองไว้หรือเปล่า่เวลาประคองอยู่นิดนึงนะประคองเบาๆเนี่ยรู้สึกไหมมีการแทรกแซงครับ รู้สึกไหมจงใจจะดูนะเนี่ยอยู่ในกลุ่มประกอบทั้งนั้นอนะ่ะก็ให้รู้ใช่ไหมให้รู้ทันนะการภาวนามีแต่เรื่องการรู้าศาสนาพุทธก็คือาศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆรรู้ทันไปถึงวันหนึ่งมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกถ้าตัวเราไม่มีแล้วความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่กับกา ย, ก, ายกับใจกายกับใจคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโลก คำว่าโลกนะก็คือรูปกับนามขันห้ากายกับใจเป็นโลกมันโลกมันทุกข์นะโลกของพระอรหันต์คือกายกับใจคือขันห้าของพระอรหันตก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่ท่านไม่ยึดถือจิตมันพ้นโลกแต่ตอนนี้จิตเราคลุกกับโลกเราก็ยังทุกข์กับโลกไปด้วยให้รู้ไปด้วยครับขออีกคําถามนึงครับคือถ้าเกิดทําอะไรแล้วเห็นจิตมันไหลแวบๆไป ได้บ่อยๆให้ทำมันนั้นใช่นะอย่างปกติเนี่ยงานผมจะมีเวลาพอที่จะฟังซีดีของหลวงพอ่อถ้าเกิดผมฟังได้ทั้งวันได้ไหมฮะได้แต่ฟังแล้วต้องดูจิตตัวเองนะฟังแล้วจิตไหลแแบบไปรู้สึกไหลแแบบไปรู้สึกถ้าฟังแล้วรู้เรื่องเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องฟังให้ไม่รู้เรื่องจาไม่นา้าชาไมาด่ดลนฟังซีดีหลวงพ่ออย่าให้รู้เรื่องนะถ้าฟังซีดีหลวงพอรู้เรื่องเรียกว่าฟังไม่เป็น อย่างนั้นไปฟังอาจารย์เลคเชอร์ก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วรู้ทันจิตตัวเองฟังฟังนะใจไหลไปแวบรู้ทันฟังแล้วขำขึ้นมานะรู้ว่าขำเห็นไหมหลวงพ่อต้องเทศให้มีไหลให้ความรู้สึกความรู้สึกเราเปลี่ยนไปมาเนี่ยเราก็คอยรู้เอาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนาเอาวปบ้างไงเบอร์ห้าขอบพระคุณครับออส่งมาข้างหน้าข้างหน้ า, า, นาคุณเสื้อเขียวนมสการค่ะหลวงพ่อ ที่ผ่านมาช่วงนี้มีความรู้สึกว่าฟาุ้งซ่านแล้วก็เห็นสภาวะที่เห็นครบทุกรูปแบบเลยทั้งโทสะโมหะแล้วก็แต่ที่โทสะน่าจะเป็นมากกว่าคือเห็นตัวอิจฉา hmm. ช่วงนี้มันเจอภัสสะที่มันแรงๆ hmm. จากที่ผ่านมาหลวงพ่อเคยเคยบอกว่าภาวนาดีขึ้นแล้วก็อาจจะเสื่อมได้มันก็เสื่อมจริงแล้วก็เพราะว่า รู้ตอนที่ว่าส่วนจริงๆคือตอนที่เผชิญภาษาที่มันแรงมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็เห็นสภาวะอันหนึ่งที่บอว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้ามาปฏิบัติตรงจุดนี้ทำให้เราเห็นเห็นตัวนั้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้แสดงออกไม่ฟุ้งไฟเหมือนเมื่อสามปีก่อนนะคะนั่นแหละเราพัฒนาขึ้นไม่ใ ช, ไใช่ไม่มีกิเลสน ะ, ะแต่กิเลสไม่ย้อมจิต กิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตโคโานกันนะคือนโดยเฉพาะของวันนี้โดยเฉพาะเช้า ว, วันนี้ตั้งแต่เช้ามาคือเห็นเยอะขึ้นแล้วก็มันต้องคือดีใจตอนนี้ว่าจะมาที่นี่ก็รู้สึกเมื่อคือนนี้ก็จิตใจสบายขึ้นหลังจากสวดมนต์เสร็จก็รู้สึกสบายแล้วก็แต่ตื่นเช้ามาก็ยังเห็นใจมันก็ไหลออกข้างนอกหลงไประหว่างเดินทางมาขนาด เขาชวนคุยหรืออะไรมันก็จะกลับเข้ามาเป็นพักๆเมื่อกี้พอไม่จะวิ่งมาก็ เ, าเห็นเห็นชัดเจนมากขึ้นเห็นตัวโลกว่าเจริญแล้วเจริญล้รู้รรสึกไหมคุยไปแล้วเจริญขอคําแนะนําของพ่อต่อไปรู้ไปเรื่อยรู้อย่างเป็นกลางน ะ, จะเจริญก็รู้ไปเสื่อมก็รู้ไปจเจริญแล้วยินดีก็รู้ทันเสื่อมแล้วยินร้ายก็รู้ทันในที่สุดเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะด้วยความเป็นกลางพ้นจากความยินดียินร้าย ความเป็นกลางมันจะมาเองมันมาเองนะอย่าไปจงใจให้เป็นกลางถ้าจงใจให้เป็นกลางจะกลางเพราะสมถะแต่การที่เราเห็นอย่างทุกอย่างชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโลภปลดหลงก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวจะเห็นซ้ําๆนะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวมันเป็นกลางเองแต่ถ้ามันยังไม่เป็นกลางเองมันเกิดความไม่เป็นกลางขึ้นมาเราก็รู้ทันมันยินดีก็รู้ทันมันยินร้าก็รู้ทันเดี๋ยวค่ะ ตอไงเดียยกพร้อมๆกันเยอะเลยคนนุณโน้นคนโน้นมื อ, อยาวกว่าเพื่อนหลวงพ่อขออภัยนะยกมือแล้วส่งกันบ้านได้ไม่ครบทุกคนนะไม่มีแรงที่จะสอนตลอดไปทั้งวันหรอกนะอาว่าไปวันนี้โยมรู้สึกว่าการภาวนา ดีอะค่ะของตัวเองดีแต่ว่าที่อยากจะกลับเรียนหลวงพอ่ออยากจะถามว่าที่ผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่คือผัสสะมันเข้ามาแรงแล้วก็คือโดนกิเลสเรา<ด>เราดูไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะสังเกตไหมกิเลสก็ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตนะแต่จิตเนี้ยยังยังกระเพิ่มอยู่ยังเศร้าหมองยัง <c oughs> เหน็ดเหนื่อยรู้สึกไม้มตอนเนี้ยม <c oughs> <c oughs> ันมีร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยอยู่ในจิตที่มันต้องไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรง ความเหน็ดเหนื่อยนี่แก้ไม่ได้เป็นวิบากต้องชดใช้นะแก้ตามรู้ไปเดี๋ยวมันก็มีแรงขึ้นมาเองแล้วเวลาเวลาที่ตัวกิเลสมันแรงผัสสะมันแรงแล้วจิตมันปรุงพอจิตมันปรุงแล้วมันไหลแล้วมันก็ไปแช่อยู่กับกับตัวทุกข์ตรงเนี้ค่ะทําอะไรมันไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้นั่นแหละธรรมะถ้าทํามันได้นะมันเป็นอัตตานี่ทําไม่ได้ ธรรมะพยายามสอนเราตลอดเวลานะว่าทําอะไรไม่ได้เป็นอนัตตาก็คือเราต้องยอมจำนนกับทุกอันนั้นใช่ไหมคะหลวเรายังไม่ยอมจำนนนะเราถึงได้ดิ้นคลุกคลักเหน็ดเหนื่อยอยู่ตอนเนี้ถ้าเรายอมจำนนจริงนะหลังชนกําแพงแล้วเห็นทุกข์ก็สักว่าทุกข์นะไม่ได้เกลียดมันเลยนั้นเป็นกลางกรรมน้ําจะกระเด็นออกไปจากหัวใจเราเลยก็คือจริงๆแล้วก็คือต้องต้องยอมจำนนใช่ไหมคะต้องยอมจำนนแต่อย่าแกล้งยอมฉีดมันไม่แกล้งยอมด้วยหรอก จิตมันจะสู้ตายมันสู้หนะ้าปางตายนะะถึงจะยอมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่เวลามันปรุงแล้วมันทุกข์แล้วมันไปแช่อยู่กับความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นด้วยหรือเปล่าคะใช่กําลังของจิตไม่ตั้งมัน่นต้องใช้สมถะช่วยดีไหม ค, คือถ้ามันแช่นานนะก็ทําสมถะช่วยแต่ว่าต้องตั้งหลักให้ดีนะต้องการอะไรที่ปฏิบัติอยู่ ต้องการความสุขความสงบใช่ไหมก็ทําสมะถะขึ้นมาจิตก็สบายขึ้นมาอีกหรือต้องการปัญญาให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างนี้เป็นปรากฏการ์ซึ่งเราบังคับไม่ได้ <Okay. S 2> ต้องการอะไรต้องการปัญญาก็การปัญญาก็ยอมอดทนเรียนรู้มันไปด้วยจิตที่เป็นกลางไว้นะถูกมันชกนะหลวงพ่อจะบอกให้ประโยคนหนึ่งในอนาคตอาจจะชาตินี้ชาติหน้าอาจจะได้ใช้ ก็คือถ้าไม่ไม่นมุมแบบหลังชนกำแพงนะยอมตายจริงๆนะไม่ถึงที่สุดของทุกหรอกนิพพานจริงๆอยู่ฟากตายเลยยอมค่ะยอมค่ะอา้าวส่งมาได้อีกหนึ่งคนอ่ะตรงนี้ใกล้กว่าอาเอาคนนั้ก็ได้อาเอาให้สองคนเอาเดี๋ยวเสียใจการทมัิการของก็นี่ครั้งแรกนะฮะคือ คือบางทีรู้ว่าโกรธนะหลวงพ่อแต่ว่ามันจะโกรธนะแล้วก็มันก็ระเบิดออกมาอืแล้วก็พอมันระเบิดออกมาเนี่ยเราก็เครียดอืแต่ก็รู้แต่ว่าก็เครียดอืแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะสภาวะทั้งหลายในี่ล้วนแต่สอนให้เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นใจจะเครียดถ้ามันไม่ได้นะดูเหมือนดูคนอื่นเครียดได้ไหม มันโกรธดูเหมือนดูคนอื่นโกรธได้ไหมขั้นแรกสุดนะเรารักษาศีลห้าไปก่อนเพราะงั้นถึงเราจะโกรธเราจะโลบยังไงเนี่ยเราอย่าทําผิดศีลห้าอย่าล้นออกมาทางกายทางวาจานะทางใจเนี่ยอย่าเก็บกดมันโกรธเราตามดูมันไปเหมือนเห็นคนอื่นโกรธมันโลบตามดูไปเหมือนเห็นคนอื่นโลบดูมันเหมือนดูคนอื่นไปได้่อยๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียแต่ระวังมันจะมาครอบงําจนเราผิดศีลเท่านั้นแหละ ให้คุณถือศีลห้าไว้ส่วนทางใจไม่เก็บกดโกรธก็โกรธสิวะต้องอย่างนี้นะอ mm hmm. โกรธก็โกรธแต่ว่าเราดูไปเราเห็นว่าจิตมันโกรธนะเอ๊ะดูไปดูไปอ้าวความโกรธเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปนี่ความโกรธก็ไม่เที่ยงนะ uh, <turn. S 1> มีแต่ของบังคับไม่ได้ามาข้างหน้าเมื่อกี้ใครยกไว้คนนี้นะแล้วเดี๋ยวแถมทางนี้อีกหน่อยก็ได้ไหมสงสารอ้าวว่าไปว่าไป มีโมหะสลับกับฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ซึมเมื่อเช้าซึมมากแต่ว่าช่วงหลังนี้รู้สึกฟุ้งซ่านเพราะว่าเตรียมจะส่งกันบ้านนะคะที่จะถามก็คือที่บ้านเวลาเดินจงกรมอะคะ่ะพอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนพอเรารู้เผอเร็วเข้าเร็วเข้าเนี่ยมันเหมือนเราประคองความเร็วเอาไว้อะคะ่ะเหมือนเพื่อเซิร์ฟว่ากูเก่งแล้วกิเลสมันมันพาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะถ้ามันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะให้รู้ลงไปว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ มองภาพแมโครเลยมองภาพรวมอี่าเป็นมองทีละอันทีละอันนะเพราะงั้นพอมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นรู้ลงไปในภาพรวมเลยว่าจิตฟุ้งซ่านแะล้วมันจะเริ่มไหลช้าๆมาให้ดูใหม่มันฟุ้งซ่านแบบมาแตะมาแตะในกายจุดนั้นจุดนี้อย่างนี้ได้ก็ฟุ้งเหมือนกันเลยก็ฟ <f ung> ุ้งซ <f ung> ่านะให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหลวงพ่อคะช่วงนี้สังเกตเห็นว่าเวลามีความสุขจากการไปไปเสพทางโลกอะค่ะ จะเห็นว่าเวลาที่สุกๆเนี่ยมันจะมีอะไรเออๆอยู่ข้างบนนะคะใช่ในกิเลสมันย้อมใจเราสุขปลุกสุขของโลกนะสุกๆกับปลุกมอมแมมแล้วพอรู้ทันเหมือนมันหล่นฟุบลงมาตอรู้ทันเรามีสติแล้วอกุศลก็ดับสิบแต่สุขเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยมันจะโล่งๆใช่ไหมมันสุขแบบสะอาดสุขอย่างโล่งๆมันสุกเปียกๆพระพุทธเจ้าถึงสอนเนบอกว่ามาจากที่ที่มีน้ําสู่ที่ที่ไม่มีน้ําไม่เปียก ใจของคนทั้งหลายเปียกนยังภูมิเนี่ยใจยังเปียกรู้สึกไหมมันเปียกให้รู้ทันนะคนนี้มองออกคนนี้ยังมองไม่ออกอะเปียกเปียกเอามาทางนี้ทางนี้เอา้อยยี่แล้วก็ปรินแล้วเลิกละใจแข็งกัปน้มัสการสังพ่อครับคือผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้สักเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้การเดินจงกรม แล้วก็เห็นว่าบางทีความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆเพราะโดยเฉพาะจากเดิมไม่เคยรู้ว่าตัวเองคิดเรื่องงานตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือเปล่าถูกสิให้รู้ทันว่าจิตคิดนี่ก็ใช้ได้แล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้เพ่งๆอยู่ครับใช่ถูกต้องแล้วใช้ได้ฝึกอย่างนี้แหละผมรู้ตัวถูกใช่ไหมครับรู้ตัวถูกแต่ตอนนี้บังคับไว้ใช่ครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วละ่ะครับผมฝึกไปหน้าเบื้องต้นเรายังไม่เห็นผล ค่อยๆ อ, อดทนดูไปสักพักหนึ่งเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจของเราเองเมันเปลี่ยนจริงๆนะเรียนกับหลวงพ่อไม่นานหรอกถ้าเรียนกับหลวงพ่อนั้นเวลาเดือน2เดือนอะไรนี้เราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง <c oughs> เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมของมหาบุรุษท่านบอกลักษณะอันหนึ่งของธรรมของพระมหาบุรุษก็คือให้ผลเร็วต้องให้ผลเร็วนะไม่ใช่ทำมาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมแสดงว่าทําผิดแน่ๆเลยถ้าทําถูกมีสติขึ้นมานะจะเห็นผลอย่างรวดเร็ว เคยมีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็จะทุกข์สั้นนะเคยละเมิดศีลได้อย่างง่ายๆก็จะละอายใจที่จะละเมิดนะมีหิริมีอวตปะนะมีสารพัดจะดีค่อยๆฝึกไปอา้าวริน่นแล้วเดี๋ยว <ลง S 1> ไป<พ>แถมเบอร์84ให้เตรียมตัวไว้หลวงพ่อคะตอนนี้รู้สึกตัวได้ดีกว่าเมื่อเช้าแล้วก็ตอนแรกหลวงพ่อบอกว่ารินเป็นคนสุดท้ายมันเหมือนเมื่อสองครั้งที่แล้วอะค่ะ แต่ครั้งนั้นนะคะมันเป็นคนสุดท้ายโดยที่ตัวเองจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรอยากจะถามมันพอถามไปแล้วเนี่ยจากนั้นมันก็เห็นความน่าเกลียดของตัวเองแล้วจากครั้งนั้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นตัวเองบ่อยขึ้นมากเห็นเดี๋ยวรินดิ น, ดนลใหม่ลงนิดมันเพิ่งเปลี่ยนฐานมัน่ก็จะเห็นตัวเองบ่อยขึ้นมากอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มันก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งที่เราทาสิ่งที่ ชาวโลกอาจจะมองว่าดีเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะ อ, อยู่อยู่ข้างในตลอดใช่ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะเราก็ทําเพื่อเซิฟอัตตาตัวตนทั้งนัน้มีเราซ่อนอยู่ข้างในเพราะั้นเราทําเพื่อเซฟิฟความมีตัวตนอยู่มนุษย์ทั้งหลายนี่นะ <c oughs> กลัวว่าตัวเองจะหายไปเพราะฉะนั้นต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะรักษาตัวเองไว้รักษาตัวตนเอาไว้พอเรามาภาวนาเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เราจะรู้เลยมันน่าเกลียด รินรู้สึกไหมน่งเปลียนรู้สึกค่ะนะมันสกปรกมันมันเห็นหลายอย่างอะค่ะ<ม>เห็นโทสะโมหะที่ซ่อน<ม>อยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละสติปัญญาเราละเอียดนะมันค้นคว้าลงไปลึกซึ้งลงไปถึงจิตจิตใต้สำนึกเราที่สะสมไว้พวก อ, อนุสัยกิเลสพวกอะไรเราจะเริ่มขุดคุ้ยมันได้ค่ะดีแต่แต่ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะไม่ค่อยเห็นเหมือนช่วงที่ผ่านมาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างค ะ, ะเจริญแล้วต้องเสื่อมจำไว้นะเจริญแล้วต้องเสื่อม ไม่เจริญก็อย่าหลงดีใจเสื่อมก็อย่าเสียใจหลงข่อค้าอีกคําถามหนึ่งค่ะแต่ทําไมมันถึงมีโทสะค่อนข้างบ่อยอะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหงุดหงิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพื้นเดิมของรินน่ยเป็นพวกโทสะนะโทสะนุสัยมันรุนแรงก็ดูโทสะไปก็ดูไปมันมีอะไรให้ดูก็ดูตัวนั้นแหละใช่ไหมมันมีโทสะจะไปดูราคะได้ไงล่ะแต่รู้สึกว่ามันเกิดบ่อยเอ๊ะมันผิดทางหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเห็นกิเลสบ่อยนะแสดงว่าใช้ได้ถ้าภาวนามาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นกิเลสเลยนะภาวนาไม่เป็นหรอกติดสมถะถนะึงไม่เห็นอ้าเบอร์แปดสิบสี่ที่เมกี้หลวงพ่อบอกว่าให้เดี๋ยวส่งให้เบอร์แปดสิบสี่ครับมันมีความรู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นมาครับเราสำคัญนะครับอครับแล้วก็ดีครั บ, รบแล้วก็ตอนช่วงนี้มันมีอะไรมากระทบแล้วมันก็จะ กระเทือนแบบว่ากระเทือนมากครับใช่สังเกตไหมมันมากระทบแล้วมันก็กระเทือนกระทบก็ห้ามไม่ได้กระเทือนก็ห้ามไม่ได้ครับดูไปนะไม่มีอะไรบังคับได้สักอย่างเดียวก็เลยอยากจะถามเพราะว่าถ้าคนที่เขาภาวนาที่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระเทือนไม่ใช่บบถ้ากระทบก็รู้ทันกระเทือนก็รู้ทันไม่ใช่ไม่กระเทือนนะไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินครับ มัวนี้มันสังเกตว่าจิตใจมันดุร้ายจิตใจมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนั่นแหละปล่อยออกมาแล้วตามดูไปอย่าผิดศีลห้าพอแล้วให้มันดุร้ายไปแต่อย่าไปฆ่าใครเขาตายกัแล้วกันครับแค่ตามดูไปกิเลสนะมันเป็นของที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลานี่พวกเราภาวนาเนี่ยแทนที่จะรู้ทันกิเลสเวลามันกระทบอารมณ์แล้วมันกิเลสมันจะทํางานขึ้นมาเราก็จะรู้ทันว่านี่ยังมีกิเลสอยู่ถ้าไม่รู้ทันนะ ส่วนใหญ่ชอบไปกลบกิเลสซะอีกชอบไปทําจิตให้ดีทําจิตให้นิ่งๆข่มกิเลสเอาไว้กรรมฐานชนิดข่มกิเลสเรียกว่าหินทับหญ้าครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าแบบหินทับหญ้าภูมิระวังนะของภูมิชอบทํากรรมฐานแบบหินทับหญ้าไปกดไว้เราต้อนงะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วปล่อยให้มันกระเทือนไปเกิดราค่าโทสะโมหะก็ได้นะแต่ตามรู้ไปแล้วก็อย่าทําผิดศี่ห้าเท่านั้นแหละ ที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะอีอาไปเชิญกลับบ้านไป